ตุสัมปยุตตะทุกะหนึ่งปุสลติกะหนึ่งปุศละบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนัยเหตุปัจจัยี่สิห้าสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้เนเพราะเหตุปัจจัย่ยอยี่สิบหกเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารามะนปัจจัยมีหนึ่งวาระ อธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อปัจจณียี่สิบเจ็ดณอธิปฏิปัจจัยมีหนะึ่งวาระณปุเรชาตะปัจจ Clear ัยมีหน <şa> ึ่งวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระณอาเซวณปัจจัยมีหนึ่งวาระณกรรมปัจจ hmm ัยมีหน <iciones> <Z> UM <itals> ึ่งวาระณวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระณวิปยุตตปัจจ um ัยมีหนึ่งวาระย่อ น้าอธิปฏิปั จ, จัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อเหตุปัจจัยกับน้าอธิปฏิปัจใจมีหนึ่งวาระยอ่อพึงขยายสหาชาติวาระปัจยวาระนิจยวาระสังสัทธาวาระและสัมปยุตตะวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจวาระหนึ่งกุศลบทเจปัญหาวาระปัจยะจตุกนายยี่สิบแปด สภาวธรรมที่สัมบูรณ์ด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่สัมบูรณ์ด yeah. uh ้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ ปัจนียุทธาระยี่สิบเก้าสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยอารมณ Intel, ม China, ป ER ัจจัยชาชาตาปัจจัยและอุปาเสสยปัจจัยสามสิบณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ อารามณปัจใจคำนัยเหตุถูกปัจใจมีหนึ่งวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจญจิยอนุโลมปัจญจิยะและปัจญจิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วสองอคุศลบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยะจตุกนยัยเหตุถูปัจจัยและอารามณปัจใจสามสิบเอ็ดสภาวธรรมที่สัมปยุตได้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศล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 สภาวธรรมที่สัมปยุติเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุติเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะอธิปติปัจจัยย่อสาสองเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระอนันตระปัจจัยมีห้าวาระสมณันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาตะปัจจัยมีห้าวาระ ปัญญัญปัจจัยมีห้าวาระนิสยปัจจัยมีห้าวาระอุปาณิสยปัจจัยมีห้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระมหารปัจจัยมีห้าวาระอินทรียปัจจัยมีห้าวาระจานปัจจัยมีห้าวาระมขะปัจจัยมีห้าวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระ วิปยุตตาปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระย่อและเหตุ ป, ปัจจัยและนอธิปติปัจจัยมสสสภาวธรรมที่วิปยุตจากเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่จำปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนาเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่จำปยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศล อาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุติเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะหนอธิปฏิปัจจัยย่อสาสิบนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระหนอธิปฏิปัจจัยมีห้าวาระหนปุเรชาตะปัจจัยมีห้าวาระนปัชฉาชาตะปัจจัยมีห้าวาระนอเสวณะปัจจัยมีห้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระ ณวิปยุตตาปัจจัยมีหวาระย่อณอธิปติปัจใจกระเพยตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณปัจจัยกับณเหตุตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายสหชาตวาระปัจยาวาระนิเสยวาระสังสัถวาระและสัมบยุตตาวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจัวาระ 2. อกุชลบท 7. ปัญหาวาระ ปัจยะจตุภายในเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยสามสิห้าสภาวธรรมที่สัมปยุตยเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุตยเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยมีสองวาระสภาวธรรมที่สัมปยุติเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุติเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยอรมณปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่วิปิยุจากเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่วิปิยุจากเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยระมณะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุทธยเหตุและที่วิปิยุจากเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สัมปยุทธยเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยระมณปัจจัยมีสามวาระย่อสามสเหตุปัจจัยมีสองวาระ อรามณะปัจจัยมี๙วาระมาทิปฏิปัจจัยมี๑วาระอานันตระปัจจัยมี๙วาระสมนันตระปัจจัยมี๙วาระสหชาตะปัจจัยมี๕วาระอัญญะมัญญะปัจจัยมี๕วาระนิจยะปัจจัยมี๕วาระอุปานิจยะปัจจัยมี๙วาระอเศวนาปัจจัยมี๙วาระกรมมปัจจัยมี๓วาระมหารปัจจัยมี๓วาระ อินทรียปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมะัราปัจจัยมีสามวาระสัมำยุตตปัจจัยมีห้าวาระอัติปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อปัจจนียุทธาระสามสภาวธรรมที่สัำยุตไดต้เหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแห่งสภาวธรรมที่สัมำยุตได้เหตุซึ่งเป็นอกุศล โดยอารมณะปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยย่อสามสิบปดณเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระย่อณอารมณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสองวาระย่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยะอนุโลมปัจจ尼ยะ และปัจจิญานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุชละเดกะที่นับไว้แล้ว 3. ามอภยยาคตะบทหนึ่งปฏิจจวาระปัญญาจตุกนาอเหตุปัจจัย 39. ส, ส, สภาวธรรมที่สัมปยุตดดยเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตยเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะเหตุตกปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่วิปิยุจากเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปิยุจากเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่สัมปยุจได้เหตุซึ่งเป็นอัพยกฤิอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุจได้วยเห ต, เหเหตุและที่วิปิยุจากเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระย่อสี่สิบเหตุตุปจัจจใจมีเก้าวาระอรมาณปัจใจมีสี่วาระ อธิปติปัจจัยมีห้าวาระอนันตรัปจัยมีสี र, ่วาระสมนันตระปัจใจมีสี่วาระสหชาตปัจจัยมีห้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระละถึงบุเรชาตปัจจัยมีสองวาระอาเสวนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระวิปากปัจจัยมีห้าวาระละถึงเมฆาปัจจัยมีห้าวาระ สัม ป, ย, ป, จจ ย, มปยุตตปัจใจมีสี่วาระวิปยุตตะปัจจัยมี9้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมี9้าวาระย่อนเหตุปัจจัยและณอารมณะปัจจัย4สอสภาวธรรมที่วิปยุจจากเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากเหตุซึ่งเป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะณเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่วิปยุจจากเหตุซึ่งเป็นอภยากฤิ อาศัยสภาวธรรมที่สัมพยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นพยากฤดเกิดขึ้เเนเพราะนะอารามณปัจจัยย่อ42นัเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระนาอารามณปัจจัยมีสามวาระนัธิปติปัจจัยมีห้าวาระนัอันันทะปัจจัยมีสามวาระนสมนันทะปัจจัยมีสามวาระนอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระ ณอุปาณิสหปัจจัยมีสมวาระณปุเรชาตปัจจัยมีเ้าวาระนปัจฉาชาตปัจจัยมีเ้าวาระณอเจวะณปัจจัยมีเ้าวาระนกรรมปัจจัยมีสองวาระนวิปากปัจจัยมีห้าวาระณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระณอินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระนชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระนมัรคะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ณสัมยุติปัจจัยมีสามวาระณวิบัติปัจจัยมีสองวาระโนนัติปัจจัยมีสามวาระโนวิคตาปัจจัยมีสามวาระย่อณอารามณปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารามณปัจจัยกับนเฮตุปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึงขยายสหชาตวาระปัจยวาระนิจยวาระสังสัทธวาระ และสัมบยุตตะวาระให้พิดาราเหมือนกับปฏิจจาวาระ 3. ามอยากะตะบด 7. ปัญหาวาระปัจจยะจตุกนัยเหตุ ป, ปัจใจและอารมณะปัจใจัย43สสภาวธรรมที่สัมบยุต ด, ด้วยเหตุซึ่งเป็นอพยากฤษเป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่สัมบยุญัตด้วยเหตุซึ่งเป็นอพยากฤษโดยเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระ สภาวะธรรมที่สัมพยุด้วยเหตุซึ่งเป็นอัพยากรเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่สัมพยุด้วยเหตุซึ่งเป็นอภิยากฤตโดยอารมณะปัจจัยย่อ44เหตุปัจจัยมี3วาระอารมณปัจจัยมี4วาระอธิปติปัจจัยมี4วาระอนันตระปัจจัยมี4วาระสมานันตระปัจจัยมี4วาระสหชาตปัจจัยมี7วาระ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 มัคคะปัจจัยมีสามวาระสัมำยุตตปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคัตปัจจัยมีเจดวาระย่อปเจนียุทธาระ45สภาวธรรมที่สัำยุตยเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัำยุตยเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิตโดยอรมณปัจจัยสหชาตะปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัย <แ> <asthma> นันเหตุปัจจัยมีเจดวาระนอานอรมณปัจจัยมีเจดวาระย่อนอานอรมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออรมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีสี่วาระย่อพึงนับเหมือ <t> <lik> นอนุโลมปัจจ尼ยะอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจ尼ยะนุโลมแห่งปัญหาวาระในขุสลติกะที่นับไว้แล้ว เหตุสัมพยุตตทุกะและกุศลตะกะจบสี่เหตุเสหตุกะทุกกะหนึ่งกุศลตะกะหนึ่งกุศลบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะจตุกนัย เหตุปัจจัย47สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุอาศัยสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตและมีเหตซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุมีเหตุและที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระยอ่อสี่สิแปดเหตุปัจจัยมีก้าวาระอรมาณะปัจจัยมีก้าวาระและถึงกรร ม, มปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีก้าวาระและถึงอวิยคตะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อ เนอธาทิตติปัจจัย49สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นขุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นขุศลเกิดขึ้นเพราะเนอธิปติปัจจัยย่อ50เนื้ออาิปติปัจจัยมี9วาระเนปุเรชาตะปัจจัยมี9วาระเนปัจฉาชาตะปัจจัยมี9วาระเนอาเสวณปัจจัยมี9วาระนื้อกามปัจจัยมี3วาระ นวิปากาปัจจัยมีก้าววาระนวิบยุตตปัจจัยมีก้าววาระย่อนอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีก้าววาระย่อเหตุปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีก้าวาระยอ่จจยจจยะยอจจยจจยาาพึงขยายสหาชาตาวาระปัจยวาระนิสยวาระสังสัทวาระและสัมบยุตตวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระหนึ่งกุศลบท เจ็ดปัญหาวาระปัญญจยะจตุกนัยเหตุปัจใจห้าสเอดสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อห้าบสเหตุ ป, ปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีกล่าววาระอัธปติปัจจัยมีกล่าวาระอานันตรปัจจัยมีกล่าวาาวาระ สมณันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาตะปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเ้าวาระนิสยปัจจัยมีเก้าวาระอนปนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอาเสวะนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระมหารัปัจจัยมีสามวาระเอินทิยะปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัคคปัจจัยมีเก้าวาระ สามยุตตปัจจัยมีเก้าห้าสิบหกละถึงอวิคตตปัจจัยมีเก้าวาระย่อปัจจนียุทธาระห้าสิบสาสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยระมณะปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาณิเสยาปัจจัยย่อห้ 54, าสิบสี่นัเหตุ ป, ปัจจัยมีเก้าวาระ นาอารามณปัจใจมีกล่าววาระยอ่อนาะอารามณปัจจัยกับเพรตุปัจจัยมีสามวาระยอ่ออารามณปัจใจกะเพรตุปัจจัยมีกล่าวาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจญจิยอนุโลมปัจญิยาและปัจจญิานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลเถกะที่นับไว้แล้ว 2. อ, อกุศลบทหนึ่งปฏิจจวาระ ปัจยะเจะตุกนัยเหตุปัจจห้าสห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นอเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีก้าววาระาอารมณปัจจัยมีก้าววาระและถึงรัมมะปัจัจมีกาววาระอหรปัจัยมีก้าววาระละถึง อวิคตะปัจจัยมีก้าววาระยอ่อณอธิปติปัจใจห้าสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิ mein ดขึ้นเพราะณอาทิตปฏิปัจจัยมีก้าววาระย่อห้าสิบปดณอธิตปฏิปัจจัยมีก้าววาระณปุรชาติปั จ, จัยมีกลาววาระ ณปัจฉาชาตะปัจจัยมีเก้าวาระณเสวนาปัจจัยมีเก้าวาระณกรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระย่อณทิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่อเหตุปัจจัยกับหน้ณทิปติปัจจัยมีเ้าวาระย่อพึงขยายสหชาติวาระ ปั จ, จยวาระนิจยวาระสังจัถาวาระและสัมปยุตตะวาระให้พิจารเหมือนกับปฏิจจวาระสองอกุศลบทเจปัญหาวาระปั จ, จยะจตุกนัยเหตุปัจใจห้าสิบเกสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัย ย่อหกสิบเหตุปัจจัยมีสามวาระอรมณปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอเสิวุณปัจจัยมีเ้าวาระกามปัจจัยมีสามวาระมหารปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีเ้าวาระละถึง อวิคตาปัจจัยมีกลาวาระย่อปัจจนียุทธาระหกสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยอารหันต์ปัจจัยสังฆาตปัจจัยและอุปานิเสยปัจจัยย่อหกสิบสองนเหตุตุปปัจจัยมีกล่าววาระเนื้อารหันต์ปัจจัยมีกลาวาระ และถึงณอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระย่อณอารมณะปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจ尼ยะอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจ尼ญานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุสลติกะที่นับไว้แล้วสามอภยากะตะบท หนึ่งปฏิจจาวาระปัจยะจตุกนัยเหตุปัจจัย6 3สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปจัจจัยย่อ 64. เหตุปัจัจมีเก้าวาระอารมณปัจัจมีเก้าวาระและถึงกรมรมปัจจมีเก้าวาระ วิปากปัจจัยเมียก้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยเมียก้าวาระย่อหน้าอธิปติปัจจัยหกสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิอ า, าศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิทเกิดขึ้นเพราะหนอธิปติปัจจัยย่อ66หน้ า, าอธิปฏิปัจจัยเมียก้าวาระหนปุเรชาตะปัจจัยเมียก้าวาระ นปัจฉาชาติปัจจัยมีเก้าวาระหน้าอเจวะณะปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนวิปยุตตะปัจจัยมีเก้าวาระย่อหน้าทิปฏิปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่อเหตุปัจใจกับปัิปิติปัจจัยมีเก้าวาระย่อพึ้นขยายสหชาติวาระปัจจยาวาระ นิจยวาระสังสถาวาระและสัมยุญตวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจาวาระ 3. ามอภยากะตะบทเจปัญหาวาระปัจยะจตุกไนเหตุปัจจัยสิบสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอภยากฤิเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอภยากฤิโดยเหตุปัจจัยยอ่อ 68เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระอานันตระปัจจัยมีเ้าวาระสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระสหชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญะปัจจัยมีเก้าวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอเสวนาปัจจัยมีเก้าวาระระมะปัจจัยมีสามวาระ วิปากะปัจจัยมีเก้าวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระและถึงอินทรียะปัจจัยมีเก้าวาระชาณะปัจจัยมีสามวาระมัคราปัจจัยมีเก้าวาระสัมพยุตตะปัจจัยมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระยอ่อปัจจนียุทธะหกสสภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอัพญากฤิ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุซึ่งเป็นอัพยกฤดโดยอารมณะปัจจัยสาอาชาตปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยย่อเจ็ดสิบเหตุปัจจัยมีเก้าวาระณอารมณปัจจัยมีเก้าวาระย่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระย่ออารมณะปัจจัยกับณเหตุปัจจัยมีเก้าวาระย่อ พึงนับเหมือนอนุโ ล, ลมปัจจิยะอนุโลมปัจจิยะและปัจจิญานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วเหตุสเสหตุกะทุกะและกุศลติกะจบ สัมปยุตตทุกะหนึ่งกุศลติกะหนึ่งกุศลบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะยจตุกนัยเหตุตุปัจใจเจ็ดสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตยเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตยเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่สัมปยุตยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมพยุด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปจัจจัยย่อ72เหตุปัจจัยมีกลาวว่าอา ร, อรมณปัจจัยมีกลาวว่าละถึงอวิคตาปัจจัยมีกล่าวว่ยาย่อหน้อธิปฏิปัจจัย73สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมพยุ ด, ด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมพยุด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลเกิดขึ้เนเพราะหนา้าทิปฏิปัจจัยย่อเจ็ดสิบสี่หิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระหน้ปุเรชาติปัจจัยมีเก้าวาระณปัจฉาชาตตปัจจัยมีเก้าวาระณอาศัวันปัจจัยมีเก้าวาระหนา้ากรรมปัจจัยมีสามวาระณวิปากปัจจัยมีเก้าวาระณน้าวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระ ยอ่อหน้าิปฏิปัจจัยกับเพตุปัจจัยมีกลาววาระยอ่อเพตุปัจจัยกับหน้าทิปฏิปัจจัยมีกลาววาระยอ่อพึงขยายสหาชาตะวาระปัจยวาระนิสียวาระสังสทาวาระและสัมบยุตวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจจาวาระหนึ่งปุสลบทเจ็ 7. ปัญหาวาระ ปัจจะยะจตุปนัยเหตุปัจจัยเจ็ดสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อเจ็สิบหกเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีเ้าวาระอันันตระปัจจัยมี9้าวาระละถึง อาเสวนาปัจใจมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรีย์ปัจจัยมีเก้าวาระชานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีเก้าวาระสัมปยุตตปัจใจมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระยอ่อปัจจน尼ยุทธารักเจสเจสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมพยุตด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศล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 พึงนับเหมือนอนุโ ล, ลมปัจจนิยอนุโลมปัจจ尼ยะและปัจจ尼ยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วสองอกุศลบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจจะจตุกนัยเหตุปัจใจแปดสิบเหตุปัจใจมีเก้าวาระอรามณปัจใจมีเก้าวาระและถึงอวิคตะปัจใจมีเก้าวาระย่อ ณอธิปฏิปัจใจแปดสอสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุซึ่งเป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมบุญด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมบุญด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะณอธิปฏิปัจจัยย่อ82ดสิบสองธิปฏิปัจจัยมีกล่าวาระณปุรชาตปัจจัยมีกล่าวาระณปัจฉาชาตปัจจัยมีกล่าวาระ นาอาศุณนปัจจัยมีเก้าวาระนกรรมะปัจจัยมีสามวาระนวิปากปัจจัยมีเก้าวาระนวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระย่อนอธิปติปัจจัยกับเพรทุปัจจัยมีสามวาระย่อเตรทุปัจจัยกับนาอธิปติปัจจัยมีเก้าวาระย่อพึงขยายสหชาตาวาระปัจจยวาระนิสยวาระสังสทหวาระ และสัมยุตตะวาระให้พิจารณาเหมือนกับปฏิจจวาระ 2. อกุเลบทเจปัญหาวาระปัจจะยะจตุ ก, กนยัยเหตุปัจใจแปดสิบสาสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมยุญด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระ อรามณปัจจัยมีห้าวาระอธิปติปัจจัยมีห้าวาระและถึงอาเสวนปัจจัยมีห้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินชริยปัจจัยมีสามวาระฌานปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสัมปยุตตปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีห้าวาระย่อ ปัญญายุทธะแป84สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมพยุทธ์ด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมพยุทธ์ด้วยเหตุซึ่งเป็นอกุศลโดยอารมณปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยย่อแปดห้าณเหตุปัจจัยมีห้าวาระณอารมณปัจจัยมีห้าวาระย่อณอารมณปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระ ยอ่ออะระมณะปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมีกลาวาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโ ล, ลมปจัจญิยะอนุโลมมะปัจญิยะและปะจัจญิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วสามอภยกะตะบทหนึ่งปฏิจจวาระปัจญยะ จ, ยจตุกนยัยเหตุปัจจัยดสบหสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมพยุดด้วยเหตุ ซึ่งเป็นอภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมพยุทธ์ด้วยเหตุซึ่งเป็นอัภยกฤิเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีก้าววาระอริมณปัจจัยมีก้าววาระละถึงกรรมปัจจัยมีก้าววาระวิปากปัจจัยมีก้าวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีก้าวาาาาวาระย่อหนอธิปติปัจจัย87 สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมพยุด้วยเหตุซ uh ึ่งเป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมพยุด้วยเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะหน้าอธิปติปัจจัยย่อแปดบหน้าอธิปติปัจจัยมีกลาวาระหน้าปุเรชาติปัจจัยมี9ลาววาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีกลาววาระณอาอเซวณปัจจัยมี9ลาววาระหนกรรมปัจจัยมีสามวาระ นวิ ala, น hablando, ปากัปัจจัยมีกลาวาระนวิปยุตตปัจจัยมีกลาวาระย่อน้นาอธิปติปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีกล่าววาระย่อเหตุปัจจัยกับน้าธิปติปัจจัยมีกลาววาระย่อพึงขยายสหชาติวาระปัจจยวาระนิสยวาระสังสถวาระและสัมยุตตาวาระให้พิสดารเหมือนกับปฏิจัวาระสาม อ, อพยากตะบท7ปัญหาวาระปัจจะยะจตุกนยัยเหตุปัจจัย89สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมพยุทธ์ด้วยเหตุซึ่งเป็นอภยากฤตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมพยุทธ์ด้วยเหตุซึ่งเป็นอภยากฤตโดยเหตุปัจจัยย่อ90เหตุปัจจัยมี3วาระอารมณะปัจจัยมี9วาระอธิปฏิปัจจัยมี9วาระ ละถึงอาเจวนปัจจัยมีเก้าวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีเก้าวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีสามวาระมัระปัจจัยมีเก้าวาระสมปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระละถึงอวิคตปัจจัยมีเก้าวาระย่อปเจนียุทธาระเอ สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุซึ่งเป็นอัพยากฤิตเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุทธ์ด้วยเหตุซึ่งเป็นอภิยากฤิตโดยอารามณปัจจัยสหชาตาปัจจัยและอุปาณิเสยปัจจัยย่อ92ณเหตุปัจจัยมี5วาระณอารามณปัจจัยมี5วาระย่อณอารามณ์ปัจจัยกับเหตุปัจจัยมี3วาระย่อ อารามณปั จ, จัยกับนเหตุปัจจัยมีกล่าววาระยอ่อพึงนับเหมือนอนุโลมปัจจนิยอนุโลมปัจญจิยาและปัจญจิยานุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วเหตุตุเหตุสัมปยุตตะทุกะและกุศลติกะจบ